สังเกตไหมรโลกร้อนเลยหลวงพ่อเองก็ได้สังเกตเหมือนกันนะแต่ก่อนเรือ ง, งนะอกันยายน่ฝตกชุกขนาดนี้ฝนและตกรานขนาดนี้แล้วฝนจะหยุดหกลนะางคืนมันาแล้วนะแต่ทุกวันนี้ขนาดพูฝจุดระเบียงสา Teron is e n o u people. เดี๋ยวเขาก็ไม่บอกมาแล้วนะพอสิของมาแล้วก็เขาคงจะเป็นคนเจ๊ มีปัญญายองหาสัพทายถ้าคนโง่ชิานเดียวเท่านั้นหาสัพไม่ได้ สอก น, นขอ ง, งอง้ยาให้ใจรอนมากเกินไปเวลาอนูรงพอบอผง 10, ิบททไม่ได้รว่า น, พนาะพแมกาอนลูกพเพราะสถา บ, าบนันคอวนจเป็นสํคนาคัญะจะอยไปลเลยไม่ได้นะสถ า, าอว่จะทิ้ได้แ ทถานการศึกษามหาวิทยาลัยพที่ไารก็เถอ c อันตับแรกก็คืออะไรก็คือพ่อแม่ลูกได้ยังไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะ ล, ลูกนะถ้าลูกสิ่งที่มันไม่ดีนะพอแม่ไม่เยาวนาไปไหนที่ไหนในชุมชนสามคนลูกเปติทางพอแม่ไเสียใจอยามากนะอย่าทะลนะในสิ่งที่มันไม่ดีอาทำนะพยายามกาฟลมมีโอกานะจะไปชดในเลยอย่างนั้น ไพูดบ่อยๆแล้พูดบ่อยเกินไปแล้วทำไมที้เขารำคาญมันทัาทำไมพูดครเก่าๆเออนี่คมันเขาจะจะโดดงนี่แล้วมันและพูดแต่อะไรันวะ Shh, shh, shh, shh. ชาติจริงทังหมดห้ามอะไรหกปู่ยาายหญ่ห้ามอะไร พ, พวกนี้จะเป็นผู้ทำลายเพราะนั้นสมรรถพรของมนุษย์ี่แปลก็คือัอ ป, ปกณของชาติที่แปลก็คือี่หคนในชาติของพวกเราให้มีคุณภาพให้มีคุณธรมศีธรรมใจขยันทำที่ดีให้หลวงจักเขาให้ใหลวจักเราใช้ดาวศีลธรรมเข้เขาไปหลวงม่สอนศีลธรรม สั่งทำก็คือใจเขาใจเราสิ้นทาสิ่งก็คือกฎหมายแต่ว่าไปแลม่ใช่อื่นไปคืกฎระเบียบการถูกห่วงกันแ้นก็คือสิ้นสินก็ควินยวิกฎหมายแ่กฎหมายก็คือกฎระเบียบที่จะให้วันดูก้กนะัความชงกเนป็นาุาควาร้ไม่มีกฎหมายคงองไปยใทุกคนไม่ชอบ สิของผมพได้เจ้าเป็นสิขอองๆได้้าว่ายาาชะาเดเราไ้าเาได้้า่า่านคา่าคาเขาเพราะาเสียใจม่ารนี่แต่สิงของผมได้เจ้ารัอ้อขมาใช ใสใจอเลยนะัแค่นีมันทำงานไม่ลงเสียงของตุนจาย่คุณค่ามหาศาลเราคิดรงไหนดีเมติชนคิดเพียแคตัวไนะคแบบทั้ันนะจึงจะไม่เห็นคุณค่านะพะนั่นพวกเราตุววานธรรมศิลธรรมก็ทำจใจเ น, น่ควจะสังสอนอรมเราให้มีคศิธรรมไ่ไมถ้าพวกเราสั่งสอนรนของเราถ้าคาสั่งสอน ลลลและลควาัวับทงซ้านลูกนนามขั้นคือางซ้ายลูกนั้ต่างคนต่างล่ไหลลกนั้นงตเป็นความชั่วพลงเน ไีแต่ยูเล่รูปรูปนั่นคน เอาตอนนี้ไปรับพรอนรุโมทนาให้พร